ผูทารสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัมมนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 นะคะดิฉันสัมม น, นาคพงดำเนินรายการรายการนี้พบกับท่านเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นรายการธรรมะที่จะนำท่านสู่การปฏิบัติไปพร้อมๆกันในช่วงต้นของรายการก่อนที่จะไปฟังการสนทนาในเนื้อหา ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเพราะบางครั้งจะทำเพียงลำพังคนเดียวบางคนอาจจะบอกว่าสู้มีผู้ที่มาบอกโดยเฉพาะาเป็นพระสงฆ์ที่ได้น้อมนำเอาพระสูตรที่เป็นผู้ทัวจนะของพระาศาสดามานาในการปฏิบัติ ด, ด้วยก็เตรียมตัวกันเลยนะคะเพราะกาลังจะนาพาท่านไปพบกับพระภพบูร์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศ อุดรธานีมาเปิดธรรมที่ถูกติดด้วยผู้ทวจนะและนําพวกเราปฏิบัติธรรมแล้วค่ะกราวนมรส ก, การค่ะท่านคะเจมส์บอนค่ะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสติอีกเหมือนกันนะว่าเราจะตั้งสติของเราไว้ได้ด้วยอย่างไรพระเจ้าเคยยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยในเกี่ยวกับเรื่องของพ่อครัวในที่รู้จักการทำอาหารได้ตรัสในเรื่องนี้ไว้อย่างนี้ว่าพิสุท์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนพ่อครัวที่เป็นคนเกาไม่ฉลาดเฉียบแหลมทำอาหารถวายพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาด้วยซุปชนิดต่างๆกันที่มีรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานรสเฟื่อนรสไม่เฟื่อนรสเค็มหรือว่ารสจืดบ้าง แต่ว่าพ่อครัวนั้นไม่ได้สังเกตรสชาติอาหารของตนว่าวันนี้อาหารหรือซุปของเราชนิดนี้ท่านชอบท่านไม่ชอบท่านชมซุปนี้วันนี้อาหารของเราเปรี้ยวจัดท่านชอบอาหารของเรามีรสเผ็ดรสหวานท่านชอบรสใดท่านไม่ชอบรสใดดังนี้ พ่อครัวนั้นก็ย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งหม่มไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลข้อนั้นประเหต์ไรเล่าประเหต์ว่าพ่อครัวนั้นเป็นคนเขา่าไม่ฉลาดเฉียบแหลมไม่ได้สังเกตเครื่องหมายแห่งอาหารของตนข้อนี้ฉันใดกอฉะ น, นั้นเหมือนกันบุคคลบางคนในธรรมะว้ไหนนี้เป็นคนเขา่าไม่ฉลาดเฉียบแหลม ในขณะที่พยายามพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพยายามพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ก็ย่อมไม่สามารถตั้งจิตได้มัน่นยังไม่สามารถละอุปกิเลสได้และไม่สามารถสาเนีกนิมิตแห่งจิตของตนและไม่ได้ทม อันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและไม่ได้สติสัมปชัญญะข้อนั้นพระเอกไดเล่าเพราะว่าตนนั้นเป็ น, น, ป น, น, ปนผู้เก่าไม่ฉลาดเฉียบแหลมไม่สำเนียกในนิมิตแห่งจิตของตนปิจิตทั้งหลายหรือเปรียบเหมือนกับพ่อครัวอีกคนหนึ่งที่เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมทำอาหารบำรุงเลี้ยงพระราชา หรือมาอมามัดของพระราชาด้วยอาหารที่มีรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างเป็นต้นแต่พ่อครัวคนนี้เป็นคนฉลาดสังเกตรสอาหารของตนว่าวันนี้อาหารและซุปของเราชิ้นนี้ท่านชอบใจท่านรับซุปนี้มากหยิบซุปนี้มากท่านชมซุปที่มีรสชาติประเภทนี้ ่างนี้พ่อครัวนั้นเมื่อเป็นผู้สังเกตอยู่อย่างนี้ย่อมได้เคเรื่องนุ่งหม่มได้ค่าจ้างได้อาหารได้รางวัลข้อนั้นบริยตไปเล่าเพราะว่าพ่อครัวนั้นเป็นคนฉลาดมีปัญญาเสียบแหลมรู้จักสังเกตรสอาหารของตนนิฉัใดก็ฉช น, นั้นเหมือนกันบุคคลบางคนในธรรมะวันนี้ เป็นผู้ฉลาดมีปัญญาเสียบแหลมพิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตหรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่จิตก็ย่อมตั้งมั่นและอุปกกริยได้เต่ย่อมสำเนียงนิมิตแห่งจิตของตนย่อมได้เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ไ, ได้สติสัมปชัญญะก้นนั้นเพราะว่าเธอเป็นผู้ที่มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมรู้จักสำเนียกในนิมิตแห่งจิตของตนดังนี้อันนี้เป็นพระสูตรที่มาในสังยุตตานิกายเช่นกันค่ะท่านฝั่งก็ได้ปฏิบัติทำกันไปกับการฟังพระสูตรที่พระเพรบุญอภิปุนโนนะคะมานาในการปฏิบัติของท่านเรื่องของ พ่อครัวพออย่างนี้คพ่อครัวมีการปรุงซุปด้วยนะคะในสมัยก่อนซุปก็เหมือนกับคงเป็นแกงเหมือนอย่างอินเดียที่เขาจะมีแกงเอที่เป็นแกงผักบ้างแกงกะหรี่บ้างอะไรต่างๆของเขานี่นะดิฉันอ่านในพระสูตรที่ท่านส่งมาแนบให้ได้เห็นด้วยเนี่ยในนี้ใช้คําว่าสูปะสูปะนี่คือซุปซุปใช่ก็เป็นน้ําแกงเป็นแกงกะหรี่แบบที่เขาจะจิ้มกับไอ้พวก เออเาเรียกว่าอะไรโรตีอย่างเงี้ยนะบางทีบางอย่างเขาก็เรียกว่านานใช่ใช่นานคือเขามีแป้งหลายประเภทใช่ค่ะหรือจาปาตีจาปาตีใช่ค่ะทีนี้ในที่นี้ก็คือว่าต้องช่างสังเกตถูกต้องว่าคนกินเนี่ยเขาชอบกินแบบไหนค่ะแล้วคนทำเนี่ยก็ทําแบบนั้นค่ะถ้าเป็นอย่างนี้คนทานี้ก็ได้ค่าจ้างรางวัลแน่นอน ก็คือเหมือนกับพ่อครัวประเภทที่สองที่รู้จักสังเกตรสอาหารของตนนะพ่อครัวที่เขาได้รางวัลอย่างเงี้ยนะคุณยมดียวเป็นพ่อครัวระดับโลกเป็นเชฟระดับโลกเนี่ยมิชลินค่ะเขาจะต้องรู้จักสังเกตว่าเอ้ยคนคนมากินอาหารฉันเนี่ยรูปร่างยังไงแต่เขาก็จะต้องเสิร์ฟให้มันมันพอดีนะแต่มาเคยได้ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของเขาอะไรประมาณเนี้นะค่าคอสที่หนึ่งเขารับอะไรกินเหลือกินมากยังไงเขาต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เขาถึงจะคือเนี่ยเป็นแสดงให้ถึงเห็นถึงความฉลาดที่ว่าเขารู้จักสังเกตว่า้คนกินเหลือกินมากกินน้อยเอาการเคี้ยวเป็นยังไงกินเร็วกินช้าเขาสังเกตตรงนี้หมดเลยโดยเฉพาะยิ่งใช้มือซ้ายมือขวานี่ก็ดูด้วยซ้ำคนกินนะ น, นะคือคนที่ป ร, รุงอาหารจะต้องสังเกตอ ย, อย่างนี้ถ้าไม่สังเกตจะเป็นยังไงแล้วก็ก็คือไม่ฉลาดใช่ไหมก็จะไม่ได้ค่าจ้างรางวัลตามที่สมควรพระเจ้าเปรียบเทียบกลับมา กับคนที่นั่งสมาธิเภาวนาเอา้านะสองคนนั่งอยู่ข้างๆกันเน่ยคุณโยมติว๋วก็สังเกตเราหายใจเหมือนกันเอา้านะคนหนึ่งก็เจริญสติปตัฏานพยายามอีกคนหนึ่งก็พยายามที่เจริญสติปตัฏานแต่คนหนึ่งกลับไม่ได้สมาธินะทำจิตให้สงบไม่ได้สติสัมปชัญญะไม่ตั้งมั่นกิเลสละไม่ได้ส่วนอีกคนหนึ่งกลับทําได้พยายามทําเหมือนเหมือนกันนะคือคือปริบเหมือนกับพ่อครัวนะทําอาหารเป็นเหมือนกันสองคนทําเป็นเหมือนกันแต่คนหนึ่งได้ค่าจ้างรางวัล อีกคนหนึ่งไม่ได้เอากลับมาคนนั่งสมาธิเหมือนกันสังเกตลมไม่ใช่เหมือนกันคนหนึ่งทำจิตให้สงบได้อีกคนหนึ่งยังฟุ้งซ่านอยูนะ่ทำจิตให้มีสติสัมปชัญญะให้สงบละนิวรไม่ไดนะ้เพราะว่าสองคนนี้เขาทำต่างกันนะอยู่ที่ความฉลาดในการที่จะรู้จักสังเกตวาระแห่งจิตของตนอันนี้สำคัญมากค่ะและทำอย่างไรจึงจะสังเกตวาระจิต ได้อย่างเข้าเป้าเพราะบางคนเนี่ยคนไม่เป็นก็อาจจะสังเกตไปเรื่อยเปื่อยนะคะใช่ใช่ใชไปนอกรู้นอกทางค่ะใช่ใช่เรามาดูอุปมาอุปไมานี้แหมแบบลึกซึ้งมากนะรถอาหารคุณโยมติว๋วรถอาหารรถอาหารมันอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเราตัดสินไม่ได้นะเราตัดสินไม่ได้เพราะเราเป็นคนตามมปเราก็ต้องอะไรที่เราทำเราก็กินหมดอะ่ะมันก็ชอบหมดนะอย่างเรามาสมัยก่อนเราทําเองเรากินหมดคนเดียวก็เดี๋ยวชอบไม่ชอบเราไม่ได้แคร์แต่อันนี้คุณต้องดูสิว่า คนกินเนี่ยเขาชอบอะไรเราต้องดูที่สังเกตที่คนกินใช่ไหมตอนนี้คุณนั่งสมาธิเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันสงบนะให้จิตมีสติสัมปชัญญะนะไปใะเวลาที่เราสังเกตลมหายใจเนี่ยคุณต้องดูว่าจิตคุณเน่ยเป็นยังไงดูยังไงอ่ะสมมุติเรามารู้ลมหายใจใช่ไหมทำไปตอนนี้ด้วยเลยก็ได้าหายใจเข้าหายใจออกไหนบางทีเราดูลมหายใจเนี่ยถ้าเราตามลมนี้จิตเราเป็นยังไงเราต้องทราบนะ นี่คือสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนนะว่าถ้าเราตามลมจิตสงบไหมถ้าเราเอาตั้งจิตของเรานะเอาไว้ตรงกลางจมูกหรือไว้ตรงปลายจมูกหรือไว้สักตรงกลางอกอะไรเงี้ยจิตก็จะเป็นยังไงอันนี้ต้องสังเกตหมดนะว่าก็คือเหมือนกับพ่อครัวเขาลองปรุงอาหารรสชาติแบบนี้รสชาติแบบนั้นคนกินเขากินเหลือกินขาดอย่างนี้เป็นตน้นะ ยังรวมถึงไม่ใช่แค่นี้นะยังรวมถึงสถานที่ที่คุณนั่งสมาธิคุณนั่งห้องพระเป็นยังไงคุณอยู่ในลิฟเป็นยังไงคุณไปวัดนั้นเป็นยังไงคุณไปวันนี้เป็นยังไงต้องรู้จักสังเกตหมดคือไม่ใช่สังเกตข้างนอกนะไม่ได้สังเกตข้างนอกแต่สังเกตที่จิตเราว่าจิตฉันเนี่ยตอบสนองกับสิ่งที่ปรุงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างไรไดโดยมีเป้าหมายว่าในการสังเกตนี้ อ่าก็สังเกตที่ <Okay. S 2> จะให้รู้ว่าอย่างไรถึงจะทําให้จิตสงบได้งไองความสงบนี่แหละคือรางวัลที่จะเกิดขึ้นค่ะออซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คงอธิบายยากก็ต้องพูดกว้างๆอย่างเงี้ยเพราะว่าความสงบอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ท่านสัมผัสได้ด้วยตัวของท่านเอ ง, งลิ้นแตะเค็มเนี่ยมันรู้แน่นอนว่าเค็มรู้ด้วยว่าเค็มเกลือหรือเค็มซีอิ๊วหรือเค็มน้ปาปลาค่ะอืม คือเช่นเดียวกันจิตคุณแตะความสงบปุ๊บเนี่ยอ่าใช่ใช่อันนี้มันความสงบมันมันจะต้องทราบสงบลึกสงบเย็นสงบนิ่งสงบแบบนิดนิดหน่อยหน่อยคุณต้องรู้แน่นอนค่ะอืมนะคะก็ อ, อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะที่ฉันเชื่อนะคะว่าบางคนเนอ่ก็อาจจะก็ทำถูกแล้วนี่ก็คิดว่า <m uch ing> ดูลมหายใจแล้วเนี่ยดิฉันจึงอยากถามท่านอาจารย์นะคะ <laughs> ที่บอกว่าลองสังเกตดูซิว่าถ้าเราตามลมจะเป็นยังไง <c oughs> ถ้าเราเอาจิตของเราไปตั้งไว้อยู่ที่กลาง อ, อกถูกไหมคะจะเป็นยังไงทีนี้ท่านเนี่ยจะสอนในตอนต้นของรายการหรือทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องสมาธิว่าถ้าทำอนาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยให้รู้อยู่ตรงตำแหน่งที่ ในจมูกที่ลมไปกระทบอ่าใช่ถูกต้องทีนี้พอท่านยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จึงทําให้เข้าใจได้ว่าหรือจะไปรู้ตรงอื่นก็ได้ที่ลมที่ลมไปกระทบที่ไม่ใช่ปลายจมูกถูกต้องถูกต้องค่ะอันเนี้คือเบสิคเบสิคว่าเอามันสักจุดหนึ่งที่คุณจะรับรู้ได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะดิฉันจะถามต่อนะคะอืมสมมุติว่าดิฉันอ่ามันไม่สามารถที่จะรู้สึก ตรงไรตรงหนึ่งของจมูกได้ชัดถึงลมหายใจแต่รู้สึกได้ชัดในทรง อ, อกเหมือนกับรู้สึกว่าขณะนี้กำลังหายใจเข้ากําลังหายใจออกนั่นถือว่าใช้ได้ไหมคะแล้วมันเกิดความสงบด้วยว่าอันนั้นแหละเป็นอานาปาณสติเช่นเดียวกันถูกต้องถูกต้องเพ่งเลยอไอเอวประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเช่นแบบไว้ตรงนั้นบ้างไว้ตรงนี้บ้างบางทีแต่และ ว, วันแต่และสถานที่ต่างๆเนี่ยคือรสชาติที่แตกต่างกันไป หวานบ้างเฟื่อนบ้างเค็มบ้างเอ๊ะลองชิมชิมดูเป็นยังไงในะส่วนใหญ่คนอาจจะชอบรสหวานเพราะฉะนั้นก็ตรงกลางจมูกเนี่ยมันอาจจะไปได้อยู่พอไปได้อยู่แต่ถ้าคุณอาจจะหวานแป๊บแป๊บคุณก็ต้องแต่งเอาแต่คุณหนึ่งจะชอบจิตคุณนึ่งจะสงบอย่างนี้ค่ะเพราะว่าบางครั้งเรื่องเข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องทางกายภาพด้วยว่าอวัยวะมีเกี่ยวกับระบบการหายใจของแต่ละคนไม่เหมือนกั น, ปนไปด้ดังนั้น จะรู้สึกถึงลมหายใจได้อาจจะไม่ได้ในตําแหน่งเดียวกันใช่บทเพี้ยนชนะตรงนี้พระรูปชาจึงต้องบอกว่าต้องเป็นผู้ที่รู้จักฉลาดนะคือหมายว่าสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนต้องเป็นอย่างนี้เป็นผู้ที่สังเกตนิมิตแห่งจิตของตนว่าเอจิตของเราเป็นยังไงต้องฉลาดตรงนี้นะคะอันนี้ถือว่าตอนต้น ให้ฝึกซ้อมทำสมาธิบางคนทำไปสงสัยไปเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรเคล็ดเป็นเทคนิคใช่วิธีในการที่จะทำให้เราเก้าวหน้าในเรื่องของการปฏิบัติและเราจะรู้ว่าทำไมเราถึงไม่ก้าวหน้าเห็นเห็นได้กันมากๆเลยคุณโยมติว๋วคนนั่งสมาธิด้วยกันข้างๆกันเนี่ย ข้างๆกันเลยเนี่ยคนหนึ่งทําจิตสงบได้อีกคนหนึ่งทําไม่ได้อะ่ะตั้งแที่ทําเหมือนๆกันเอมันเลยแปลกนิดนึงนะมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรคะอินทรียบารมีเดี๋ยวฉันคุ้นเคยคําคำนี้มากใช่ใช้คํานี้ได้ไหมคะถูกต้องใช้ได้ใช้ได้คืออินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยมันแก่อ่อนได้รับการอบรมมาไม่เท่ากันคือรสชาติอย่างเดียวกันที่คุณปรุงเข้าไปเนี่ยจิตนี้อาจจะชอบดวงเนี้อาจจะชอบจิตดวงนั้นอาจจะไม่ชอบมันก็จะไม่ตอบสนองแตกต่างกันไป เหมือนกันไม่ค่ะกับการที่เรียนหนังสือซึ่งก็เรียนเหมือนกันอะบางคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งใช่ถูกต้องกูสอนพูดเหมือนกันแต่ทำไมนักเรียนคนหนึ่งเข้าใจนังเรียนคนหนึ่งไม่เข้าใจทีนี้พอความเก่งไม่เก่งอะมันอาจจะถูกสรุปว่าโอ้เป็นเรื่องสติปัญญานี่มันโง่กอประทานโทษนะคะคนนี้ฉลาดกว่าคนนี้โง่ถูกต้อง อ, อันนี้ถูกนะค น, คนเดียวติวท่านเหรอคะแล้วคนโง่โง่เนี่ยสมมุติดิฉันเป็นคนโง่อืม สามารถที่จะเดินไปถึงจุดที่มีสมาธิได้ไหมล่ะคะตัวอย่างนี้พูดไปชัดเจนก็คือพ่อครัวโง่กับพ่อครัวฉลาดะนะบุคคลโง่กับบุคคลฉลาดใช่ไหมทีนี้ไอความที่เราจะฉลาดคือเรารู้จักสังเกตนี่ตรงนี้เรารู้จักสังเกตว่า อ, อ๋อเราไม่เข้าใจตรงนี้คุณก็ทําความเข้าใจตรงนั้นกันนี้เราสุดได้ฝึกได้ฝึกได้แ น, น่นอนนะคะก็โล่งใจไป แล้วเพราะฉะนั้นไอ ก, การฝึกเนี่ยการฝึกที่เราพูดถึงสติเนี่ยสติปัฏฐานที่เราสังเกตลหมหายใจเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ที่ลึกล้ําลงไปเช่นเช่นว่าบางทีคุณตื่นคุณอยู่ในสถานที่แบบนี้หรือว่าคุณอยู่ในวัดอย่างเงี้ยการประพฤติการธรรมมันไม่ใช่แค่แค่คุณดูลหมหายใจแต่ยังรวมถึงเรื่องอาหารด้วยยังรวมถึงเรื่องการอยู่ในกฎรรการหลีกเร่นด้วยยังรวมถึงเรื่องการที่รู้จักสรรํารวมอินทรีย์ด้วยยังรวมถึงเรื่องการฟังธรรมด้วย ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของที่มันจะแตกต่างกันไปดังสิ้นเลยแล้เราต้องดูอะไรพวกนีก้เรียกว่าเป็นการฝึกที่เป็นไปตามลำดับขึ้นมาตามลาดับขึ้นมาค่ะังนั้นนอกเหนือจากการที่จะรู้จักสังเกตในเรื่องการสมมุติว่าทาอาณาปานสติคือสังเกตเกี่ยวกับลมต่างๆแล้วที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้จะช่วยในเรื่องการปฏิบัติ ดังนั้นก็ขอให้ท่านช่วยพูดให้ชัดเจนขึ้นหน่อยได้ไหมคะว่าสำรวมในอาหารเป็นยังไงเหรือคะสำรวมอินทรีย์เป็นยังไงคะอืมอมืก็พูดถึงเรื่องขององค์ประกอบนะครับท่าได้พูดไปทั้งหมดห้าหรือ6อย่างเอาแรกไปตีละอย่างก่อนนะอันดับแรกก็คือเรื่องการอยู่ไนัสใ น, ใ น, ส น, สนอันสงัดนาการอยู่ในที่ที่อันสงัดเงียบที่ที่มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกน้อยหรือว่ามีเสียงกระดิ่ขึ้นโกลมน้อยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่2คือเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอแต่รู้ประมาณในโภชนะหมายความว่าไงหมายความว่าคุณรับประทานเนี่ยไม่ใช่เ no พื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่รับประทานเนี่ยเพียงเพื่อให้การนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากรับประทานเสร็จแล้วก็ยังมีท้องอันพร่องอยู่นิดนึงนนี้คือข้อที่2คือรู้ประมาณในโภชนะข้อที่3คือการสํารวมอินทรีย์เพราะว่าตาเราเปิดอยู่หูเราเปิดอยู่ เราได้ยินเราเห็นรูปเราก็ต้องกินข้าวลิ้นเราก็ต้องรับรรสไหนสี่หอย่างนี้อินทรีย์ทั้ง6เนี่ยมันเปิดเป็นช่องทางให้สิ่ ง, งต่างๆมันเข้ามาเราก็ต้องรู้จักปิดกั้นอินทรีย์ของเราเนี่ยเหมือนนักมวยเขายกกาศขึ้นเนีเพื่อที่จะไมใ่ให้ศัตรูไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันมาต่อยได้เนี่เราก็ต้องรู้จักยกกาศของเราขึ้นเน่เพื่อป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมมันเข้ามาทางช่องทาง6ทางนี้นี่คือเป็นผู้รู้จักสํารวมรักษาอินทรีย์ <Okay. S 2> ถัดมาข้อที่ข้อที่สนะัคือเป็นผู้ที่ทรงสุตตะสังสมสุตตะแตนะ่คุณฟังธรรมไม้คุณอ่านหนังสือธรรมะหรือเปล่าเพราะพวกนี้มันเปรียบเสมือนเป็นอาวุธที่ที่เราจะใช้ได้ในเวลาเราพิจรารณาแต่บางที่เร า, เาไม่รู้จักสังเกตจิตของเร า, เอาพอได้ฟังธรรมบทนี้อ๋อมันแจ่มแจ้งขึ้นมาการทรงสุตตะสังสมสุตตะที่เป็นขะ้อที่4นี้ก็ก็จะช่วยได้แล้วข้อที่5นะ้าการอยู่แบบ อ, อยู่ง่ายๆ การอยู่ง่ายกินง่ายการที่เราสันโดษในบริการแห่งชีวิตมีบริการน้อยนะแล้วก็อยู่ที่ไหนก็สบายนะนี่คือข้อที่5ที่พระเจ้าว่าไว้มีทั้งหมด5ข้อตรงนี้อาารออ๋อค่ะงั้นถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างได้ผลลองมาสำรวจตัวเราเองสิว่าเรายังดำเนินชีวิตในลักษณะที่เอื้อต่อการปฏิบัติดังเช่นที่ท่านเปโตรได้กล่าวไปแล้วหรือไม่ต้อง กันค่ะไม่ใช่พระนะคะพวกเราที่ฟังวิทยุอยู่เนี่ยค่ะ น, นี้ไม่ได้พูดถึงพระเลยอ๋เหรอคะ <c oughs> อนนสมมติคนธรรมด า, าอันดับแรกอันดับแรก <ws> darum, อยู่ที่หลีกเ้นใช่ไหมอยู่สีนาสน า, าสงัดบ้านคุณ ม, ม, ม, ม, ม, มันมีมุมหนึ่งมั่งที่ทําอย่างนี้ได้นะเอาไม่ต้องเอามุมหนึ่งเอาเวลาหนึ่งเวลาไหนก็ตอนนี้แหละตีสี่ตีหเนี่ยคุณลุกขึ้นมาเนี่ยคนข้างเขายังไม่ลุกใช่ไหมยังไม่ได้มีเสียงเอก้อตืกอคือโคมเอาแค่5้นาทีสินาทีหรือครึ่งชั่วโมงตอนนั้นเนี่ยนี่คิดว่าสีนาสนาสงัดแล้วนะ เอาแค่ครึ่งชั่วโมงตรงนี้อีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงอาจจะไม่สังเกตไม่เป็นไรตอนนี้มันสังเกดได้อันนี้คุณได้แล้วนะข้อที่หนึ่งใชง่ตอนนี้ท้องคุณพร่องไหมเอาเราก็ไม่ได้กินอะไรนี่เอ้เราก็เป็นผู้รู้ประมาณในโพชนะนะเออก็ข้อที่2เราก็ได้แล้วนะอ่าข้อที่3มที่เราพูดถึงว่าทรงสุตะสังสมสุตตะก็เราฟังทำอยู่นี่หเนี่ยใช่ก็ทรงสุตตะสังสมสุตตะล่ะนข้อที่4เรากำลังพูดถึงเ ร, รื่องว่าคุณรู้จักปิดกั้นอินทรีย์ อันนี้ก็คือเรามีสติสัมปชัญญะคอยปิดกั้นอินทีย์เราก็ได้ฝึกไปฝึกไปพวกเนี้ยมันจะทําให้เรามีความอิอนทรีย์5ของเราเนี่ยพูดถึงศรัทธาวิเดียสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะค่อยแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะค่ ะ, <ท>ะอันนี้คารวะ ท, ทำได้แน่นอนคันโทเท่ากับว่าเป็นของเราท่านๆนะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่ท่านไปบู น, น, ะะนําสิ่งที่จริงๆแล้ว เหมาะสำหรับเฉพาะคนที่ต้องการไปบวชเป็นพระเป็นเจ้าแล้ว <c oughs> แต่ว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากจะปฏิบัติที่บ้านเนี่ยพวกเราเรื่องทานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องรับประทานนะคะท่านคะบัก <th ong S 1> ท้าใจนะอื่อเข <c oughs> ้าใจว่ามนุษย์เนี่ยอาหารอร่อยอาหารที่หน้าตาดีนะาตสวยอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นสิ่งที่มนุษย์คลั่งคล้ายหรือบางทีก็ไม่ใช่ตัวอาหารนะคะ <c oughs> ร้านอาหารบรรยากาศมันดี แล้วเราก็พลัดหลงไปในทางแบบนี้อยู่เสมอแล้วอยู่ในสังคมอะคะ่ะยิ่งถ้าคนทำงานทำการจะต้องคบสมาคมกับคนมันก็มีบรรยากาศอย่างนี้เยอะหรือว่าท่านบอกปิดกั้นอินซีเนี่ยจะช่วยได้อันนี้จะช่วยอยู่ในสังคมปิดลำบากจังเลยยังไงมันต้องรู้อยู่ละอย่างข่าวบางข่าวเนี่ยนะคะ มันจะมีช่วงเวลารายการข่าวคนชอบฟังหรือมีหลายรายการและต่างเวลากันพลาดจากเวลานี้ก็ไปเจอเวลาโน้นไม่ได้อยากจะฟังก็รู้อย่างนี้ค่ะปฏิบัติยังไงคะปิดการอินทรีย์ของท่านนะคะการปิดกานอินซีเนี่ยคือเราพิจาร์เราดูในลักษณะที่จะไม่ให้สิ่งที่เป็นอคุิศรัทธามันเข้ามาดูได้2แง่มุมคือดูโดยการแยกเป็นส่วนๆหรือดูโดยภาพรวมทั้งหมดในสมมติว่าเราฟังข่าวเสียงมันมากระทบหูเนี่ย ถ้าเราดูโดยภาพรวมใช่ไหมว่าโอ้เสียงเอามันข่าวนี้นี่อ้าวเราจะเริ่มจีดงั้นเราดูโดยแยกเป็นส่วนๆอ๋อมันเสียงแหลมเสียงทุ่มเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงแค่นี้อกุศลก็จะไม่เข้าล่ะมันไม่ได้เฉพาะเรื่องราวอย่างเดียวเราไม่ได้ฟังเรื่องเราก็ฟังเป็นเสียงธรรมดาเสียงเหมือนเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็แยกย่าได้อย่างนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเรถใช้ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกัน สายตาเช่นเราดูผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้โอ้โงามสวยหลอ่องามเอางั้นแยกเป็นส่วนๆนดูโด ย, โดยรวมเขาดีดูดีงั้นแยกเป็นส่วนๆเขาจะดีไหม ย, ยากแยะออกเราก็จะทําให้เห็นว่าโอ้มันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันฮะเอาเอาแต่ฟันออกมาเงี้ยจะบอกโอ้ฟันสวยยิ้มสวยจังเอาแยกฟันออกมาเอาลิ้นออกมาแยากเป็นส่วนๆวมันไม่ได้ดูสวยอันนี้ก็จะทําให้อกุสุรธรรมมันไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะ อันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือแยกเป็นส่วนๆ<ช>แต่ว่ า, าก็ลองไปพยายามทําดูนะคะเช่นโดยรวมเนี้ยก็คื อ, อที่ท่านปุ๋ยปุได้พูดว่าให้สํารวมสํารวมตาหูจมูกลิ้นอย่าให้มันมาทํำพิษกับเราได้เพราะมันเป็นตัว ก, อก่อกวนการจะเกิดสมาธิตึกตา่างวันนี้โดยสรุปย้อนกลับไปจําเลยนะคะพระสูตรในเรื่องเกี่ยวกับพ่อครัวจะต้องฉลาดรู้ว่าพระราชาชอบอะไรเราเองจะต้องฉลาด รู้ว่าในการปฏิบัตินั้นเราจะต้องทําอย่างไรให้เกิดสมาธิอันเป็นเป้าหมายปลายฐานได้มากที่สุดแล้วก็เอาเทคนิคต่างๆที่ท่านไปบูนให้เนี่ยไปประกอบ ก, บกับการปฏิบัติพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าในการปฏิบัติร่วมกันตอนต้นรายการกับท่านไปบูนนั้นจะเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นไหมท่านจะเป็นพ่อครัวที่ฉลาดกว่าเก่าหรือเปล่านะคะวันนี้ก็กราบในมรสการกอบพระคุณท่านไปบูนเป็นอย่างยิ่งค่ะเรบาน ครับท่านฟังที่ครบคะหรือว่าไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้ก็ได้ระหว่างท่านฝึกปฏิบัติเนี่ยท่านก็ทําตัวเป็นพ่อครัวฉลาดกันไปเลยนะคะจะได้ทําให้ท่านเองก็มีความสุขมากขึ้นที่สามารถจะปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นรายการนี้รายการสันสนิษฐานะนะคะเรามีความเชื่อว่าการที่สังสมสุตตะคือมีความรู้ในธรรมที่พระศาสดาได้ประสอนเอาไว้และยิ่งนําไปสู่การปฏิบัติได้ความสุขมันเกิดขึ้น ทันทีปัจจุบันนี้ในการที่ท่านจะมีภูมิต้า น, านทานที่จะรับมือกับเรื่องต่างๆได้อย่างไม่มีความทุกข์หรือว่าทุกน้อยติดตามรับฟังรายการสันสนิษฐานกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ดิฉันสันสนิษฐานพงษ์ลาจากท่านฟังทั้งหลายที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวไปก่อนนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันอีกที่นี่ตอนที่หค่ะวันนี้พุทธวสวสดีค่ะ